อาสนะปฏิภาหนาทิว่าด้วยการกีดกันอาสนะเป็นต้นเรื่องบังคับภิกษุผู้นั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นทั้งที่ยังฉัน